ภาวนาในกุศลเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยและความปรารถนาในสมบัติในชาติหน้าที่เต็มไปด้วยโภคกระซับสมบัติและอิสระสมบัติครอบงามอยู่ปรากฏเหมือนเกาะเล็กๆทึกถูกมหาสมุทรใหญ่ร้อมรอบอยู่อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับวัดตามิตรสามบนทุกอย่างในปรารถนาอะไร ถ้าศรัทธาแบบปอมๆเนี่ยปรารถนาวัตตาที่ดีปรารถนาเป็นโอ้โหได้มนุษย์สมบัติเจ้สวรรค์สมบัติได้ศานะเป็นราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกถูกครอบงาได้ปัจจามิตรโลกามิตรและวัตตามิตรมีศรัทธาไหมมีอย่างนี้ก็เรียกศรัทธาแบบปอมๆพวกเราคงหลุดจากศรัทธาอย่างนี้กันแล้วเนาะหรือมีบ้างไหมอ๋อมีเหมือนกันเลย เังนึกว่ามาม า, มาพูดกับคนมีศรัทธามากพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายอยากคบอยากจะมีศรัทธาเนะ่หนึ่งอันดับแรกเนะถ้าต้องการจะพัฒนาให้เราตนเองมีศรัทธาสมาคมคบหากับบุคคลผู้มีศรัทธาจริงแล้วก็หลีกให้ห่างไกลจากคนที่ไม่มีศรัทธาจริงๆแล้วก็ฟังพุทธคุณอักขระเป็นต้นเพื่อเป็นใจเกิดศรัทธาจริงๆ เมื่อกี้พวกเรามีศรัทธาจริงไหมมีจริงหรือไม่จริงไม่ใช่เดียวมีศรัทธาแบบปล อ, ปอมๆบ้างไหมมีเนี่ยนะพระเจ้าสอนว่าไม่ให้ครอบคคนที่มีศรัทธาปล อ, ป อ, อมๆเนี่ยามาจะทํำไงดีเนี่ยเอยามามาผิดที่หรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาพระเจ้าสอนอย่างนี้นะถ้าปรารถนาอยากมีศรัทธาหนึ่งๆสมาคมคบหาบุคคลที่มีศรัทธา แล้วก็หลีกเว้นให้ห่างไกลาจากบุคคลที่ไม่มีศรัทธาแล้วก็ฟังพุทธคุณนกถาฟังคุณของพระาศาสดาพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นทีนี้ถามว่าสมาคมคบหาบุคคลที่มีศรัทธาไม่พอเนสมาคมคบหาจิตที่มีศรัทธาด้วย แล้วก็หลีกนีให้ห่างกายจิตที่ไม่มีศรัทธาด้วยเข้าใจไหมเพราะบางครั้งไม่ใช่คนอื่นไม่มีศรัทธานะจิตของเรานั่นแหละไม่มีศรัทธาถ้าวันใดวันหนึ่งสัตทินรียไม่เกิดขึ้นในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณในศิขาสามในกรรมและผลของกรรมใช่ไหมไม่ เชื่ออย่างมั่นใจว่าขันธาตุอริยตน ا ในอดีตมันมีไม่เชื่อไม่มั่นขันธาตุอริย تنا ที่จะไปในอนาคตไม่เชื่อมั่นทั้งอดีตและอนาคตไม่เชื่อวงจรของปฏิจจสมุปบาทว่าวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นต้นและการทํากรรมในปัจจุบันพบจะมีสติคือความอาสามารถในการที่จะให้ผลในลําดับแห่งตนได้ในพบถัดไปเนี่ยไม่เชื่อมันมาได้ยังไงเนี่ยนะ ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าสภาพใจที่ขาดศรัทธาใช่ไหมเราไม่เชื่อเนี่ยว่าทุกอย่างที่กระทําไปเนี่ยมันมีอํานาจกรรมมันมีอํานาจอยู่ทั้งบุญและบาปสามารถให้ผลในลําดับถัดไปในภพถัดไปได้ถ้าไม่เชื่อตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพร้อมที่จะ ให้บาปเกิดก็ได้เพราะเราไม่เชื่อก็าบาปเกิดแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ระลึกไม่ได้อยู่แล้วเกิดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่ความไม่ตั้งมั่นเนี่ยความไม่เชื่อมั่นเนี่ยเนี้ยก็แปลว่าสภาพใจนั้นยังหวั่นไหวอันนี้จะมองเห็นเลยว่ากระทบหมดเลยนะจะเห็นชัดเจนว่าสภาพของสัตว์ทินทรีเนี่ยขัดแย้งกับวิจิกริฉา เขาจะไปทําลายธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาก็คือวิจิกิจฉาถ้าใครมีวิจิกิจฉามากสติินรีก็อ่อนเนเพราะธรรมชาติวิจิกิจฉาเหมือนปัญญาไหมเหมือนปั๊บเลยเพราะมันหมุนรอบด้านอชี้แจงมุมเนี้ยแต่มันมันไปสงสัยอีกมุมหนึ่งอะ่ะมันไปเรื่อยแล้วลไม่แน่นใจด้วยนะสภาพของวิจิกิจฉาเนี่ยไม่ปักแน่หรอกก็คือไม่ปักแน่นลงไปใน ในศึกขาสามนาทีลังเลอยู่นั่นแหละมันก็เลยบอกเลยไปทําบุญเชื่อไหมก็เชื่อบ้างใช่ไหมเชื่อบ้างนะไม่ใช่ไม่เชื่อนะก็ไปทําบุญไม่ใช่ไม่ทําแต่เชื่อมั่นไหมไม่เอาถ้าคนเชื่อมั่นจริงๆจะกล้าทํากรรมชั่วได้ยังไงกล้าได้ยังไงก็ไม่เชื่อมั่นสิใช่ไหม ทำไมปล่อยให้โลภโกรธหลงเกิดมากๆากเลยมังคลาเนี่ยเราโกรธใครนี่ฟิวขาดเลยนะเคยเป็นไหมโกรธนี่มันยังไงเอ้ยไม่ได้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องอแสดงว่ามันต้องการมันต้องการรู้จักเราว่าเป็นใครออเลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้ละมันคล้องใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเคยเป็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะอาคุศนละรามกําลังเล่นงานตัวยอย่างนี่คือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรม ถ้าเราเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วแล้วเราจะไปประกอบกรรมชั่วทําไมใช่ไหมเพราะกรรมชั่วไหมในขณะที่เราเกิดความโกรธอย่างรุนแรงแล้วก็เดินไปก็เดินมาปากก็ด่าเลยเนี่ยเอาถ้าเกิดโทกศัยอย่างรุนแรงใจเป็นมโนโทุจริตไหมโอ้โหกระแสใจไม่รู้เกิดกี่ล้านล้านวิถีใช่ไหมเกศโชณะก็ไม่รู้ เจ้นาดวงที่หนึ่งให้ผมในพบนี้เจวานาในชาวนาดวงที่สองให้ผลในพบถัดไปเจวานาในชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลตั้งแต่พบที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิทิพผ่านเขาบอกงั้นโอ้โหจบเลยแต่เนี้ยถ้าเชื่อไหมเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นคํานี้ไหมถ้าเชื่อมั่นจะกล้าทํากรรมชั่วหรือหรือว่าโอ้หลักการก็ว่าปอันนี้แปลว่าไม่เชื่อมั่นใช่ไหม ก็ไม่เชื่อมั่นในคุณของพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์นั่นเองแล้วก็กล้าปล่อยให้บาปเกิดได้โอ๊ยใครจะขนาดนั้นเอ้เรามันปุถุชนท่องแล้วเกินกลายเป็นวลีแห่งการทําบาปได้ทุกวันเลยใช่ไหมไอ้ยขาว่าปุถุชนเนี่ยมันก็ต้องโลบบ้างมันก็ต้องโกรธบ้างมันก็ต้องหลงบ้างก็ท่าน ยมยังเห็นแอบโกรธอยู่เป็นประจำเลยโอ้โหแตนี้ยกระอบถึงพระเลยแต่เนี้ยใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเริ่มไหเริ่มหาตัวเปรียบเทียบใช่ไหมพอตอนเองเริ่มทําไม่ได้ก็เริ่มมองโอ้ันก่อนยังเห็นพระโกรธหัวพัดหัวเวียงเลยไออเราขนาดไม่เป็นพระเราก็ยังดีกว่าท่านเราไม่เคยโกรธขนาดนั้นเอาและแต่เนี้ยฉะนั้นเราก็โกรธได้บ้างเห็นไหมถามคิดอย่างเนี้ยมันคิดไปเพื่อพัฒนาศรัทธานตนเองไหม เพื่อทำลายโดยแท้เลยใช่ไหตรงนี้ก็ต้องอย่างนี้ต้องแก้ไขไหต้องแก้ไขแต่เราชอบแก้ตัวกลึกไม่ชอบแก้ไขแปลกนะเวลาจะทำบาปเนี่ยชอบให้คนอื่นรับรู้ว่าตนเองไม่ได้เจตนาโอ้โหเมื่อกี้ไปราดน้ามดตายก็ว่าไม่ได้ตั้งใจก็ว่าแท้จริงหลุดตั้งใจไปด้วยนะจะไปบอกหาคนช่วย เพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยไม่ผิดแท้จริงถ้ากรรมชั่วคือกรรมชั่วใช่ไหมกรรมดีก็คือกรรมดีไม่จําเป็นต้องบอกให้ใครรับรู้มันก็ผิดแล้วใช่ไหมมันก็ถูกแล้วด้วยงั้นต่อไปเนี่ยถ้าไปทําบาปอะไรต่างจําเป็นต้องบอกเขาไหมเนี่ยเว้นไว้จะบอกเพื่อจะสํานึกโอ้โหไม่สมควรแก่เราเลยเมื่อสักครู่นี้นะเราไปทําบาปจริงๆก็เห็นเขาจริงๆนี่แหละแต่ไอความที่ต้องการอยากจะอาบน้ํา เลยอาบน้ำไปอย่างงั้นแหะมดไหลลงท่อจะเป็นร้อยเลยแต่มันตั้งมันทำไงได้ก็ว่ามันมันนึกอีกทีโอ้โหตายแล้วทำชีวิตเขาหนึ่งชีวิตใช่ไหมตายเลยนะมดตัวหนึ่งใดีมวไหมเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเนอะทำให้ครอบครัวเตาแตกแยกโอ้โตายแล้วเราเนี่แม้มีเราเนี่ก็จ้องเวนก็เหลือเกินนี่ใช่ม ทำให้เขาเดือดร้อนนี่บุญก็ไม่ค่อยเกิดเลยทีนี้เราไปทาให้ชีวิตของเขาเกิดการแตกแยกเกิดการพัดพรากเลยฉะนั้นการที่จเจริญอนุสติทั้งหลายเป็นต้นจนสามารถทำลายจิตที่ฟุ้งซ่านฉั้นภาวนาศรัทธาจึงชื่อว่าจะเจริญถึงมีกำลังที่สามารถที่จะทำลายนะตัณหาตัณหาสามประการ น, นะ ที่ไปยึดติดอยู่ในปัจจามิตรเข้าใจคำว่าปัจจามิตรหรือยังตัณหาที่ไปยึดติดในปัจใจสี่แลวตัณหาที่ไปยึดติดในโลกามิตรสถานะทางสังคมที่ได้แลวตัณหาที่ไปยึดติดวัตตามิตรทาบุญทั้งหลายก็ปราถนาพบชาติที่ดีถ้าทำบุญไม่ปราถนาพบชาติที่ดีแล้วทาทาไมอ่ะและทานกุศลนี่ผลปรากฏของทานเนี่ย อ, อาการปรากฏหรือผลปรากฏของทานเนเป็นยังไงนะทานอกุศลเนี่ยทา น, นยังมีการให้เป็นลักษณะใช่ไหมถ้าทานกุศลทําลายโลภะใช่ไหมกิจของทานใช่ไหมผลปรากฏอาการปรากฏของทานเป็นไงภาวะวิภาวะสัมปตตาหรือสัมปติปัจจุปทานาใช่ไหมบอกว่าทําให้ได้พบที่ดีและ ความสิ้นพบเป็นอาการปรากฏฉะนั้นเราต้องตั้งจิตปรารถนาด้วยตัณหาไม่พบที่ดีเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วก็ปแปลกดีเนี่ยคนเราเนี่ยเอางี้เอเ อ, นเ อ, นเอนคนทํางานเนี่ยนะคนทํางานเนยยกตัวอย่างเรียนหนังสือ ปกติเรียนเนี่ยผลของการเรียนโดยตรงคือทักษะความสามารถความชำนาญในวิชาการเท่าตนเองศึกษาเราเรียนให้มีความชำนิชำนาญในงานนั้นมากขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นใช่ไหอันนี้ผลโดยตรงไหมเป็นผลโดยตร ง, ตรงฉะนั้นการตรวจสอบตนเองตลอดเวลาแล้วมีความสุขมีอิสระจากกิเลสทั้งหลายในการศึกษาในการเรียนในการฟังพระธรรมไปต้น อันนี้มันหน้าที่โดยตรงและผลโดยตรงที่เกิดขึ้นก็ตรวจสอบตรงนี้แต่พอมีระบบเห่งใบประกาศขึ้นมาก็คือผลโดยอ้อมก็คือใบประกาศใช่ไหมแต่คนเรากลับไปเอาตันหาไปผูกไว้กับใบประกาศแล้วเอาสุขทุกข์ไปไว้กับใบประกาศนู่นกับสุขทุกข์ไม่เกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาขัดเกล้าตนเองเนี่ยมันไม่เกิดจากตรงนี้ไงเลยแยกไม่ออกระหว่างอะไรโดยตรงอะไรโดยอ้อมเหมือนทํางานเนี่ย มันคนเป็นพยาบาลเนี่ยเท่าสุขทุกไปไว้กับเงินเดือนแต่กลับกลายว่าไม่เอามามาพิจารณาหรือไข้ควรเองว่าการเป็นพยาบาลทักษะความสามารถความชำนาญในวิชาชีพในการงานการฝึกฝนตนเองให้เท่าถึงความชำนาญการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงผู้ป่วยคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตนเองนั้นน่ะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความูุเป็นอิสระจากกิเลสในการทำนั้นด้วยอันนี้เป็นผลโดยตรงไหมแต่เงินเนี่ยเป็นค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นกติกาอันนี้ผลโดยอ้อมอยู่ไหมโดยอ้อมป่ะคิดกันไม่ออกนะแค่นี้มนุษย์เราเนี่ยแค่นี้คิดไม่ออกนะเรมาพยายามนาเสนอถึงเนี่ยเอาค้าขาย ค่าขายเนี่ยผลโดยตรงการค้าขายคืออะไรนี่ไม่ใช่ของดีมีคุณภาพการบริการการนะการของดีมีคุณภาพการบริการการไม่เครียดความไม่โกรธจากการทํางานการยิ้มแย้มแจ่มใสจิตเป็นอิสระในการทํางานนั้นๆแล้วก็มีความสุขกับการทํางานนั้นๆผลโดยอ้อม ก, ก็คือกําไรไง ไม่ใช่เอาสุกทุกไปไว้กับกาําไรโอ้โหแทบตายเลยเครียดหัวโปรงเลยในเดือนเนี้มันยอดทำํำไมตกขนาดนี้กลับมาก็มานั่งนั่นกันใหญ่นี่แยกไม่ออกเข้าใจไหมเนี่ยทํามาจัง ก, การสอนกรรมฐานไม่สอนชีวิตประจําวัน <laughs> แต่มันเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องถ้าถ้าเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจทุกระบบรมะ ต้องใครเข้าใจทุกระบบแม้ในการทำงานในชีวิตก็บอกว่าเข้าห้องน้ำพระาศาสดาสอนไหมกินอาหารสอนัหมสอนให้ดำเนินชีวิตทุกเรื่องถามว่ามีใครที่ปรารถนาดีหวังดีแล้วก็มีความกรุณาเรามากที่สุดเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีเลยไม่มีเราไปหาตรวจสอบดูเถอะเอามาตรวจสอบดูแล ที่เขาหวังดีหวังดีไม่มีใครหวังดีเท่าพระศาสดาหวังดีกับเราตรงนี้ก็ก็ไปพิจารณาให้ให้ดีฉะนั้นการที่เราทีนี้พอเรามองว่าถ้าใครอยู่ในฐานะเป็นเป็นแม่เป็นแม่เอิ้อหน้าที่ เป็นแม่นี่ต้องฝึกไหมต้องฝึกไหมไม่ต้องเลยปล่อยตามยถ า, ากรรมเลยเลยพอมีลูกออกมาก็ อ, อยากเกิดมาดีนะเจการการมีข้อไปเอามาไม่เคยมีครอบครัวนะ <c oughs> เ, เวลามีคนที่เขามีครอบครัวเนี่ยก็คิดกันยังไง เขาคิดแยกผลโดยตรงโดยอ้อมออกไหมแยกออกไหมเขาต้องคิดเรื่องนี้ก่อนไหมว่าเออพระพุทธเจ้าว่ายัางไงควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เลยเลยไม่มีข้อมูลยังอยากมีข้อบครัวเรื่องแปลกดีเนาะ <c oughs> ออต้องเอาข้อมูลของพระศาสดามาใช่ไหมก็มาวางหลักถ้าเจอหน้าผู้ชายก็เนี่ยเขียนคําสอนพระเจ้าเนี่ยคุณปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหม ห้าข้อปฏิบัติต่อเราเราก็จะปฏิบัติต่อคุณห้าข้อได้ไหมอันนี้คือหลักการนะแต่วิธีตั้งจิตมันอีกอย่างเดี๋ยวจะแนะนำใ <c oughs> น, นทางนี้นะถ้าใครยังไม่มีก็กลครัวก็ไปนะไปถึงถ้าใครเลยแล้วใครจะมายุ่งกับเราไหมนี่ <c oughs> ที่จริงมันน่าจะมีหลักสูตรนะพุทธิา ย, ย่าสอนไม่หมดนะไม่เอาหลักสูตรนี้มาใช้เพื่อแปลกดี บางคนจะมีครอบครัวไม่เคยมีรู้เลยตนเองจะต้องมีหน้าที่ยังไงใช่ไหมไม่เคยรู้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผลโดยตรงเนี่ยนะกรณีที่เราจะปฏิบัติต่อกันและกันไอ้ตรงเนี้ยเรากลับไปขับเน้นว่าทำอย่างไรให้เขาพอใจหรือแต่การไม่ขับเน้นบอกว่า เราจะพัฒนาพัฒนาหน้าที่การงานสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบให้เหมาะให้ดีแล้วก็ฝึกความชำนิชำนาญให้มากขึ้นก็กลับไม่ได้มองตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้พัฒนาเลยให้สังเกตเนี่ยร้อยทั้งร้อยใหม่ๆดีหมดพอเข้าปีที่สองเริ่มแย่กันทั้งกูใช่ไหม นี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่ามันลืมผลโดยตรงโดยอ้อมกันเลยนี่รายละเอียดไม่ต้องตามไปนะผมาไม่ได้ไปสอนอะไรงนี้แต่ต้องการให้รู้ว่าอันเนี้ยแค่ประเด็นตรงเนี้ยชาวพุทธเราก็พลาดแล้วอันนี้เป็นจารีตศีลไหมเราปฏิบัติต่อกันและกันเนี่ยเป็นจารีตศีลเมื่อชาวพุทธไม่เข้าใจจารีตศีลต่อมาจะมาปฏิบัติวาลิศศีลคือปฏิโมกข์ทั้งวรศีลเป็นต้นก็เริ่มอ่อนแอไหม เพราะการไม่ได้อบรมกายการจะอบรมระดับกุศลศีลก็ถ้าตามภาษาพราะเขาเรียกข้อวัดไม่บริบูรณ์เช่นพระบางองค์บวชมาใหม่ๆเนี่ยแทนที่จะปฏิบัติข้อวัดเขาเรียกข้อวัดนะเขาเรียกขันตกาวัดมหาวัดเนี่ยข้อปฏิบัติของภิกษุที่พึงปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไรอาจารย์ปฏิบัติต่อศี์อย่างไรปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ยังไงกวาดปฏิบัติต่อลานโพลานพระเจดีย์ยังไงเป็นต้น ตั้งน้ําฉันน้ำใช้อย่างไงปัดกวาดอะไรต่างเนี่ยนี่มีข้อปฏิบัติถ้าถ้าสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้ปฏิบัติไม่ถูกแต่อยากจะมารักษาปฏิโมกขังวรศีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าถ้าอาภิสมาจาริกราวตสไม่บริบูรณ์ปฏิโมกขังวรศีจากบริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะก็ลองไปดูดิว่า อนาถปิ น, นิกานางวิสาขาเนี่ยดูเนี่ยนี่นี่แบบฉบับของอุบาสกบาสิกาเลยให้สังเกตดูดูท่านทั้งสองดูข้อวัดนัจารีศีลของของท่านทั้งคู่เนี่ยสมบูรณ์เห็นไหมนางวิสาขาขนาดกล้าที่จะไปอยู่กับมิจฉาทิถีได้เลยใช่ไแต่ให้พ่อแต่งตั้งทนายไปด้วยนิดน อย่เงี้ยเห็นไหมอันนี้บ่งบอกว่านางทําตามหน้าที่ถึงแม้พ่อของสามีไม่พอใจนางก็ไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นเลยเพราะนางทําบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เลยอย่างเงี้ยนะก็ไปดูไปศึกษาแล้วเจะเห็นว่าโอ้นี่ไงนี่แบบฉบับของอุบาสกอุบาสิกาเพราะตัวจารีตศีลของเธอเนี่ยบริบูรณ์เธอจึงบรรลุงไงตั้งแต่เจ็ดขวบมา อันนี้คนที่เรียนมาจะดีแต่ชาติดีเนี่ยนะทีนี้ภาวนาศรัทธาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าการที่เราสามารถเจริญเป็นไปตามลําดับได้นี่นะก็เพราะว่าอะไรเจริญจนมีกําลังสามารถทําลายตัณหาที่เป็นที่ยึดติดอยู่ในปัจจามิตรแล้วก็โลกามิตวาตามิตเนี่ยนะตัณหาทั้งสามประการนี้ย่อมนํามาหมู่สัตว์นําพาหมู่สัตว์และบรประชิตที่ลอยอยู่ในกลางทะเลใหญ่ กาวคือตัณหาสามประการ น, นั้นให้ถึงเกาะกาวคืออริวังสัตยธรรมทั้งสี่ประการเป็นต้นได้เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นบอกว่านั่นคือสภาพของศรัท ธ, ธาถ้าวิริยะอะไรถ้าพูดยังไงก็วิยิญรีเนี่ยก็คือเจรสิกมีสองประการใช่ไหมปกติวิริยะกับภาวนารียากายกิกะวิริยะเจรสิกวาวิริยะวิริยะทางกายกับวิริยะทางใจ บางคนมีความเพียรทางกายดีไหมดีวิริยะทางใจก็ดีใช่ไหมอันนี้บ่งบอกว่าวิริยะในที่นี้เป็นวิริยะที่เป็นไปกับกุศลนะอย่าลืมนะวิริยะที่เป็นไปกับบาปได้ไหมโอ้โหคนเพียรทาช่วได้ไมเยอะ <Yeah. S 1> อันนี้เราไม่ได้ขับเน้นตรงนั้นผู้ที่มีปกติวิริยะในการงานทางโลกมากนะถ้าหากสมมติ ในการงานทั้งโลกมากเนี่ยถ้าสามารถพลิกชีวิตกลับมาสู่ทางพระธรรมไปได้เร็วเพราะเขาเอาวิริยะทางโลกมาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าก็ขนาดเขาแสวงหาวัตถุ ก, กรรมเ็ายังเพียนพยายามป่บ น, นั้นเออใครเคยทำงานทั้งโลกแบบประเภทหามรุ่งหามคํามไหมเอาจิงเอาจังเลยเสียงเป็นเสี่ยงตายเลย ชีวิตบางทีโห้ยดูตำหลับตำลาเนี่ยตาเทปบอดนี่บางคนเนี่ยดูอกลัวสอบไม่ได้เพียนจริงๆนลลองทางทําลองมาเพียนแบบนั้นดูสิโอ้เจริญเร็วยัางพราะกล้าใช่ไหมบางคนเนี่ยกล้าเดินทางไปคนเดียวเลยนะติดต่อประสานงานไปต่างประเทศไปอะไรต่างๆนะี่บางคนเคยเล่าให้ฟังเนี่ย มาพังโอ้โหกล้ามากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยไปติดต่องานต่างประเทศได้ไม่กลัวตายเลยนะแล้วไปต่างประเทศไปติดต่อประสานงานในแวดวงไปนั่งประชุมกับเราผู้ชาเต็มไปหมดก็กล้าไปเจราจารงานการต่างๆก็กล้าลอะไรก็เป็นอย่างนี้ นั้นคนประเภทนี้ถ้ามาศึกษาพระธรรมลราพลิกตรงนั้นนะพลิกจากวิริยะทางโลกมาเป็นวิริยะทางธรรมและเดินจิตที่เป็นไปกับกุศลได้โอ้คุณก็อย่างนี้เขาค่อนข้างที่ภาวนาวิริยะเกิดง่ายถ้าเป็นพระก็คือว่านอกจากรักษาศีลก็ประพฤติุดตรงต่างๆแล้วก็วิริยะภาวนาทางกายเมื่อได้เจริญภาวนาทางกายแล้วสมบูรณ์ด้วยความเพียร ด้วยการอา๋อวิทยาทางกายกินน้อยนอนน้อยอันนี้ทางกายนะทําความเพียรมากเนี่ยวิทยาเป็นภาวนาทางกายนะเนี่ยกินน้อยนอนน้อยทําความเพียรมากอันนี้กายกายเพียรแล้วใช่ไหม เมื่อได้เจริญภาวนาทางกายแล้วความสมบูรณ์ด้วยความเพียรด้วยการกินน้อยนอนน้อยและเมื่อไม่มีเจสิกวิยะที่เข้มแข็งในกรรมฐานนะมีอนุสติมีอาณาปานาเป็นต้นะย่อมไม่สามารถถึงการติดอยู่อย่างมั่นคงเมื่อทํานานไปวันนานปีต้องอารมณ์ก็ไม่พิเศษขึ้นจิตก็ไม่ผ่องใสขึ้นอันนี้คือกลุ่มวิทยะทางกายอย่างเดียวไม่เข้าถึงความผ่องใสหรอก เคยเห็นพระยุคเราไม่ใช่ยุคสมัยครั้างวัฏกาลนี่เนี่ยท่านเดินคือความเพียรทางกายท่านสูงมากเดินเดินเดินจนที่จงกรมนี่ยุบลงเลยนะยุบลงเลยนะเดินจนนั่งไม่ไหวอ่ะทะมันบวงหมดเนี่ยขาเนี่ยลองเดินมากๆเลยดิโอ้โหแค่จะลงนั่งย่อตัวลงนั่งเนี่ย่อไม่ได้สั่นเป็นอะไรเนี่ยกึกกึกกึกกึกหมดเลยขามันงอไม่ได้งอขาไม่ได้ งอขาไม่ได้เหมือนกับคนมันตึงนั่นไปหมดเลยเออพระโสนนะกุฏิกันนะที่ท่านเดินยนเท้าแตกท่านเดินทำไมเราอย่าไปโทษท่านนะท่านบำเพ็ญความเพียรเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าใครรู้ข้อมูลไม่เป็นอัตตกิรมาฐานุโยกเพราะเขาเดินกุศลเป็นแต่ถ้าคนไม่มีข้อมูลนั้นก็ว่าไป เขาบูชาทุกกิริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเขาทำเป็นพุทธบูชาถ้าเราเจอในชั้นคำสอนเนี่ยบางท่านเนี่ยเดินตลอดไม่นอนเลยไม่ยอมนอนเลยเนี่ยเจ็ดปียังมีเลยเดินยืนเดินยืนแล้วก็นั่งนี่เนี่ยเจ็ดปีเนี่ยบางคนเดินกับยืนเนี่ยเจ็ดปีเอส้สิเดินท่านต้องการอะไรท่านจเจริญพุทธคุณ เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใจท่านเป็นไปกับกุศลไหมเป็นไปกับกุศลแต่ เ, เราไม่เคยทําไงเรานื้อโอ้ยนี่เป็นอัตตาขึ้นแล้วถ้าเราไปเจอในชั้นคําสอนเราจะตกใจเลยหรือเปล่าสิ่งที่เรามา ก, าก่าวกราบกันอย่างนี้เป็นทรมานร่างกายเกินไปหรือเปล่านี่ที่ไหนได้เขาไม่ได้วัดข้อมูลตรงนั้นเขาวัดที่ความเข้าใจอ่ะมีมีความเข้าใจดีไหมอันถึงบอกว่าเดินเหมือนกันเนี่ยแต่ความเข้าใจมันต่างกันเนี่ยอย่าไป ่าไปตำหนิเอนเพราะบางคนมีข้อมูลเพียบแล้วเนี่ยเขาจะเดินกรรมาฐานนั่งกรรมาฐานหรือยืนเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องเขามีศรัทธาเพราะถามว่าพระศ า, าสดาเนี่ยบำเพ็ญทุกกรกิริยาเจ็ดปีใช่ไหมแล้วมีใครเพียรถึงขนาดเพื่อเจ้าไหมไม่มีหรอกแล้วลในอดีตที่เพียรมาอีกมากมายนะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้เขาถึงบอกว่า ภาวนาวิริยะนี่นะกรรมฐานสามารถสำเร็จได้ด้วยความเพียรสองอย่างนะต้องกายวิริยะกับจิตตาวิริยะกายยิ่กวิริยะกับเจตสิกกวิริยะก็คือกายก็ต้องเพียรใจก็ต้องเพียรใจจะเพียรอย่างเดียวกายไม่เพียรได้ไหมกายเพียรอย่างเดียวถ้าใจไม่ยอมเพียรด้วยจะบรรลุได้ไหมไม่ได้บางคนเพียรแต่กายแต่ใจเป็นบาปอ่ะ อาที่เดินไปเธอนั่งไปเธอะศึกษาพระธรรมไปเธอเพียรมากแต่ใจไม่ยอมไปเนี่ยมันนั่งอย่างเงี้นะเขาเข้ามาอบล้มก่อ น, นั่งทนไว้คือก้อนนี้เนี่ยแต่ใจไม่เพียรด้วยเพราะบาปมันเกิดที่ใจใช่ไหมแต่กลายเพียรไม่เพียรอย่างนี้ได้ข้อมูลไหมได้ไหมคือใจมันไม่เพียรเนนะี่ยใจไม่เป็นไปกกุศลนะตอนนั้นอกุศลเกิดตลอดถึงมานั่งฟังธรรมเหมือนกันเนะี่ยตอนนั้นจะได้ข้อมูลไหม ได้ได้ข้อมูลอกุศลกลับไปนี่รู้เลยเนี่วิธีทําบาปเกิดในขณะฟังทำเราชํานาญกว่าคนอื่นเลยใช่ไหมถึงจะไปบอกเขาได้เลยว่านี่ทําแบบนี้ทําอย่างนี้บาปเกิดได้ง่ายวิธีการนั่งฟุ้งซ่านเนี่ยเราชํานาญมากก็บอกเพื่อนได้ไหมไปบอกได้นะเคยจริงๆเป็นอย่างนี้คนเราเดินได้กายวิริยะได้แต่บางคนไม่ได้เจตสิกวิริยะที่เป็นไปกับ ความเพียฉะนั้นจะเข้าถึงความสําเร็จในคําสอนของพระศ า, าสดาต้องเพียรสองทางไหมกา ย, กยากิกะวิรยิยะกับเจตสิกกาวิริยะกายก็ต้องเพียรใจก็ต้องเพียรใจที่เพียร น, นั้นเป็นอีกวิริยะที่เกิดกะโลภะได้ไหมได้เกิดกะโทษาได้ไหมเกิดกะโมหะได้ไหมวิริยะประกอบได้ในอกุศลใช่ไหมประกอบได้อกุศล น, นี่ยวิริยะไม่ประกอบจิตสิบหกดวงใช่ไหม อวุเรียจิตสิบหกใช่ไหมถามไปเดี๋ยวคนไม่รู้อีกเดนนี้อ้าวตรงไหนบ้างตอบไม่ได้เลยเดนนี้เดี๋ยวไปเปิดตาลาก่อนว่างนันแสดงว่าคําสอนอยู่ในตําราหมดเลยใช่ไหมเลยไม่รู้เลยว่าสภาพจิตตรงนี้เกิดขึ้นมีความเพียรหรือไม่มีแล้วเพียรถูกหรือเพียรผิดก็ไม่รู้แล้วอะไรเป็นมิจฉาวายามะและอะไรเป็นสัมมาวายามะถ้าไม่รู้สัมมาวายามะไม่รู้มิจฉาวายามะ แล้วเมื่อไหรเราจะเพียนถูกแล้วเมื่อไหรเราจะเพียนผิดอ้าเนี้ยตั้งใจมองด้วยความเพียนนี่ยมองด้วยโลภะได้ไหมได้เป็นมิจฉาวายามะหรือสมาวายามะเป็นธรรมะที่ควรละหรือควรเจริญเห็นไหมละไห่เราจะเจริญเนะ่ยใช่ไหมเราจะเจริญเนะ่ยวิรทยะเกิดกถทินะมีท่าไหมเป็นธรรมเกิดอควรเจริญหรือควรละ แล้วให้เกิดทำไมอ๋ให้เกิดทาไมเมศึกษาว่าทมไปน่าเจ็บใจจริงๆงริวนเงี้นี่องค์หลงจเจริญบาปมาตั้งนานต่อไปไม่เอาแล้วใช่ไหมกลับไปก็เหมือนเดิม <c oughs> ก็ไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าแต่จริงๆถ้าเราสังเกตสังเกตสภาวะรมไม่ออกเนี่ยแปลกนะพูดก็ผิดนี่ไปพูดเนี่ย เดินไปพูดก็ผิดเดินก็ผิดนะไอเดินพูดก็ถูกตามปกติธรรมดาแต่พูดที่ไรโลภะทุกทีเอางี้นะคนบางคนที่เราไม่พอใจสมมุตินะว่าไอคนคนเนี้ยมันเหมือนเป็นคนที่เราคุยที่ไรหงุดหีิดทุกทีใหม่ใหม่ก็เห็นกันทีไรก็โลภะเกิดง่ายใช่ไหมเอางี้นะสามีภรรยาใหม่ๆอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่า สามีภรรยาเนี่ยที่เขาเขาเกี่ยวเ่ยเออขาไปกรณีติดต่อกันครั้งแรกเนี่ยเขาติดต่อกันด้วยมหากุศลหรือด้วยโลภะเอ็ส่วนใหญ่ได้โลภะใช่ไหมแสดงว่าเพี้ยนผิดหรือถูกเริ่มแรกก็เริ่มผิดแล้วนี่นะแต่นี้พอไปเริ่มอยู่ด้วยกันมากๆอสภาพโลภะมันเริ่มไม่ค่อยทํากิจแล้วเนี่มันไม่เหมือนเดิมเลยแต่ก่อนมันก็ดูนิสัยดี ตอนนี้มันไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยเนี่ยเอีมันชักออกนอกลู่นอกทางแล้วเจ๊ะไหมสภาพตันฐามันเริ่มย้ายเรีย่ยงย้ายที่แล้วกลายเป็นโทรศัพท์ไหมพอทีสะสมโทรศัพมากขึ้นมากขึ้นเจ๊ะไหมไม่ต้องไปเห็นหน้าแล้วแค่คิดถึงโกรธไหมเนี่แค่คิดถึงก็โกรธนี่แสดงให้เห็นชัดเลยไหยว่าเราเพี้ยนผิดมาตลอดเลยเจ๊ะไหม เราเพี้ยนผิดมาตลอดเลยตั้งแต่เห็นเขาครั้งแรกแล้วก็เพี้ยนผิดด้วยโลภะแล้วเราไปเอาชีวิตของเราเนี่ยไปหวังไปตั้งความหวังไว้กับโลภะคิดว่าเราเสพคุนกับบุคคลนี้แล้วมันจะได้โลภะจะทําให้โลภะเราเจริญขึ้นใช่ไหมแต่เราไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ทีนี้พอสภาพแถวนั้นมันแปลเปลี่ยนเช่น ถ้าตอนอยู่ด้วยกันมันมีมันให้สมนัสเวทนากับโลภามากจริงๆมันก็ติดใช่ไหมก็เยอะติดแต่พอสถานะนั้นมันเปลี่ยนไปพอสถานะนั้นเปลี่ยนไปเขามีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่แต่เขาเปลี่ยนแต่ก่อนเขาเคยทำโลภให้กับเรามากแล้วก็ชอบใจแต่พอมาระยะหลังเขาเริ่มทำโทสายกับเราเริ่มชอบใจไหมไม่ชอบใจแล้ว นะข้าวนะข้าก็เอาเลยแต่เนี้ยทีนี้มันก็มีสองวิธีนะวิธีที่บอกว่าบางคนก็บางคนก็ประเกิดโทษสภาพโธสากขึ้นมาใช่ไหมก็เริ่มไม่พอใจวัตถุชิ้นนั้นแล้วทีนี้พอไม่พอใจในวัตถุชิ้นนั้นก็เริ่มแล้วคิดเมื่อไรก็โกรธคิดมา่อไรก็โกรธคิดมา่อไรก็โกรธแล้วก็เริ่มเปรียบเทียบ เหม่ยคนนั้นเขาดีจริงๆแล้วเปรียบเที่ยบใช่ั้มทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยไปลองอยู่ดูแล้วว่ดีจริงห <c oughs> จริงไอ้คนที่ถูกยกย่องว่าดีอ่ะก็นั่งหวานอมขมขืนไม่ไงเพราะมีที่ไม่ดีเราไม่กล้าบอกก็มีใช่ไหมเพราะสิ่งต่างๆมันคือวัตถุ ก, กรรมเนี่ยไม่มีสมบูรณ์จริงนะถ้าเราต้องการเข้าใจนี่นะตัววัตถุกรรมเนี่ยไม่สมบูรณ์จริง ไม่มีสมบูรณ์จริงถ้าวัตถุทานนี่สมบูรณ์จริงไหมสมบูรณ์จริงๆถ้ามองอะไรเป็นวัตถุกรรมแล้วมองนะเข้านะเข้าก็ให้ความโลภให้ความเครียดอยู่เลยแล้วก็ให้ความรุ่มหลวงแต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานแล้วให้อะไรให้ศรัทธาที่มั่นคงนี่เป็นอย่างนี้ดันั้นในกรณีที่ภาวนาวิริยานม่ยเจริญขึ้นเป็นไปตามลำดับนะ จนสามารถเจริญอนุสติมีกายานุสติเป็นต้นได้แล้วหรือเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยแล้วก็หมายถึงวิริยะที่ในโพธิปักขีย์ธรรมเห็นไหมฉะนั้นคนที่เจริญพุทธคุณนามาคุณสังฆคุณเป็นต้นเน่ยเป็นวิริยะในโพธิปักขีย์ธรรมไม่ใช่วิรยิยะทั่วไปนะคําว่าโพธินี่เป็นธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การตัดสูาา้สัจนะ นั้นเป็นวิริยะเนี่ยนะเขาเรียกวิริยะสัำโพธิชงจะหมายให้เป็นองค์อีกการตัดสรุตัดสรุปอะไรตัดสรุสรัจจะสี่คือตัดสรุทุกตัดสรุทุกด้วยอะไรเออด้วยการกําหนดรู้ตัดสรุสมุทัย้วยการอะไรโดยการละตัดสรุนิโรธโดยการทําให้แจ้งตัดสรุมรดุด้วยการเจริญ แ, แปลว่าไม่สับส น, นในกิจของอริยสัจ ฉะนั้นคนที่ไม่สับสนในกิจของอริยสัจเป็นคนแรกคือพระศ า, าสดาไงพระศ า, าสดาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขวยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในีรรทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกเป็นกิจที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งมรรคเป็นกิจที่ควรจเจริญ น, นั้นสัจจะความจริงกิจยานสัจญานกัตายานเนี่ย เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตรรคตเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยะแต่ยังไม่เป็นสัจจะยังไม่เป็นความจริงของพุทุชนฉะนั้นเราต้องการจะพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงสัจจะความจริงของพระธรรมคตสัจจะความจริงของพระอริยะใช่ไหมตอนนี้เรากําลังเดินอยู่ไหมกาลังเดินเป็นวิทยาทางกายหรือวิทยาทางใจทั้งสองอย่างเนะ ต้องเป็นไปกับกุศลด้วยใช่ไหมให้เป็นภาวนาวิริยะจิตก็ย่อมจะเสพคุ้นอาถารพ์ล่าเริงนะในรมกรรมฐานอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าจิตนั้นเป็นไปกับสมมนัตเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่กับความอาถารพ์ล่าเริงแองลักษณอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาวิริยะที่ได้เจริญเป็นไปตามลําดับนะ เหมือนกับในยาของสัตตินซีนั่นแหละต่อมาก็คือสัตตินสตินซีภาวนาสติกับสติปกตินี้ถ้าสติปกตินี้ไม่สามารถออกจากมุตดสติคือการหลงลืมสติได้นยถ้าภาวนาสตินี่ขึ้นหมายถึงสติปฐานที่เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดโลกุตละมาร์คได้นยก็เรียกภาวนาสติ ทีนี้ถ้าหากว่าเจริญอ า, า, าณาปานเจริญกายคกตกาสติในโพธิปัจิยธรรมนะอารมณ์ของสติปัฏฐานก็มีอนุสติมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นถ้าเจริญได้เป็นตามลําดับนี่นะสตินี่เป็นปัจจัยแก่สมาธิไหมสมาธิก็จะสงบระงับจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านได้แล้วก็เป็นปจัจจัยแกปัญญา ปัญญาก็สามารถทะลุทะลวงความมืดความหลงเป็นต้นได้ศรัท ธ, ธาวิริยะสติทั้งสามอย่างนี้เป็นบดุลดังมหาหมาดผู้คอยรับงานของพระราชาเพื่อให้สมาธิและปัญญาถึงความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปใช่ในการที่จะเจริญกายยคตาสติหรือเจริญสติปัฏฐานถึงความเป็นใหญ่โตในจิตได้ ถ้าว่าตามเห็นถ้าตามในย่าของสมถะและสมาธินรีเนี่ยสมาธินรีเนี่ยทําไม่ได้สมาบัตแปดเนี่ยสูงสุดใช่ไหมปัญญินรียก็ทําให้ได้อภิญญาห้าอภิญญาห้าคืออะไรอิทธิวิธีเป็นต้นนี่ไหนถึงในสมาบัตนะตามแนวทางของวิปัสสนาสมาธินี่ยสมาธินรียก็เป็น สุญญาตาสมาธิอนนีมตตาสมาธิอัปปนีตตาสมาธิสามอย่างปัญญีสีก็คือวิสุท ธ, ธิทั้งห้าไงนี่เราสรุปนะทิฏฐิวิสุท ธ, ธิเป็นต้นและอนุปัสนาทั้งหลายวิปัสนาญาณทั้งหลายมรรคญาณทั้งสี่ปัจเจวขนาญาณทั้งหลายอันนั้นเป็นชื่อของปัญญาทั้งหมดเลยทีนี้สรุปก็คือว่าความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าที่เราสาธยายกันว่า อาาหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณสัมปันโตนี้ความเรื่อมใสความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณอันนี้เป็นศรัทธาความเรื่อมใสความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมคุณสวาขาโตภควตาธรมโมนิเป็นศรัทธาเป็นอย่างนี้ความเชื่อมั่นความเรื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสังฆคุณสุปฏิปันโนเวตน็ต้น แล้วก็ความเชื่อมั่นความไม่หวั่นไหวในศีละคุณนะเป็นประธานฐานอย่งโลกุตระสมาธิศีลเนี่ยเป็นประธานฐานของสมาธิใช่ไหมโลกุตระสมาธินั้นมีอะไรเป็นประธาฐานศีลศี ล, ลใช่ไหมในโลกุตระมีศีลไหมนั่นแหละประธานฐานของโลกศีลเนี่ยเป็นประฐานศีลและวิสุทธิ์ที่จริ ง, รงๆโดยตรงโดยนิปริยญาณนะ ได้แก่สัมมาวาจาส ม, มากรมตาสัมมาชีวะในโลกุตระนี่ก็สี่ทวิสุทธิจิตวิสุทธิก็นั่นแหละส ม, มาวัยมัส ม, มาสติส ม, มาส ม, มาธิในโลกุตระนั่นแหละเป็นจิตวิสุทธิแล้วก็ปัญญาวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดถึงปัญญาโดยตรงเลยนะก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังฆาตในโลกุตระ อันนี้เราพยายามภาคเพียรที่จะเข้าถึงโลกุตละสิกขาสามที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดใช่ไมแล้วก็เดินอันนั้นเป้าหมาย